อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือหนึ่งภิหนึ่งกษหนึ่งพิณีใช้สายรัดเอวเพราะมีเหตุผลคืออาดาธสองพิณีวิกลจริต 3. ภิพิชณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สจบ